Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเดือนสิงหาคมก็เวียนมา ได้รำลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่ง นายยุวะพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยพยายามและความปรารถนาเทปและ แล้วมาเรียบค่ะเรามาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะคะมา คุณธรรมจิตใจสงบขึ้นในจิตใจจิตใจสงบมีเมตตา คนที่ทำความดีกตัญญูใครๆก็ยกย่องสรรเสริญใครๆก็อยากคบหาสมาคมด้วย ให้เอาความกตัญญูไปจับเรามีเพื่อนอยู่ 5 คนอยากรู้ให้ส่องดูคนคน 5 ถ้า 2 จังหวะนั่นเป็น 1 รู้ 50 คะแนนจังหวะ 2 ทดแทน 50 คะแนน สุดยอดของความดีคือคนที่มีความลูกๆปฏิบัติธรรมมาถึงวันนี้แล้วความ อยากจะกราบที่เท้าท่านมีจิตใจที่เคารพเทิดทูนขณะนี้ บางคนว่าเท่าๆใครที่บอกว่าพวกที่บอกว่าเท่าๆกันแต่ช่างของคุณ อาจารย์จำคุณแม่หนาขึ้นพระสุทธาพอบอกว่าคุณแม่หนาหนักเพี้ยงพระสุทาทะเลต้นไม้ไม้แม่น้ํา ถ้าไม่มีตึกไม่มีบ้านเช่นเดียวกันถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราก็ไม่มีภูเขาไม่มีตึกไม่ รักแม่แค่วาเดียวพอเราโตขึ้นเรามาเรียนเราเข้าปฏิบัติธรรมเราถึงรู้ว่าพระคุณ ถ้าคนสัตว์ต้นไม้และไม่มีพ่อก็ไม่มีชีวิตเรามีถ้าไม่มีท่านทั้งสองก็ไม่มีเราทั้งหมด วันนี้จิตใจเราสงบหัวใจมีธรรมะๆอาจารย์ถามว่าเดือน 9 เดือนแล้วเรา ถ้าพ่อแน่จริงพ่อแน่จริงพ่อต้องแบ่ง 4 เดือน 4 ถึงจะแม่ที่สุดคือตอนคลอดลูกตอนคลอดแม่หรือพ่อแม่เจ็บปวดที่สุด ทำคลอดเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ออกรกพันคอหมอบอก เมื่อถามพ่อว่าจะเอายังไงพ่อบอกว่าต้องถามแม่แม่ พ่อแล้วเย็นถึงกลับไปเยี่ยมหมอมาบอกว่าไปอ้าวทําไมต้องผ่าล่ะเด็กหน้าแ ngn ไม่ยอมคลอด แล้วกว่าแผลจะหายกี่วันกี่เดือนคิดว่าแม่เจ็บแม่ทุกข์ทรมานขนาดไหนข้างพ่อคือตัวอาจารย์นี่ขับรถวิ่งไปวิ่งมา พูดมาถึงตรงนี้พวกผู้ชายประท้วงบอกว่าอาจารย์ที่บอกจริงต้องแบ่งมาเด 4 เดือนเอาใหม่มาดูกัน ใครอุ้มเรามากกว่ากันแล้วเรากินนมใครแม่ทั้งพ่ออย่างเก่งก็วิ่งไปซื้อนมกระป๋องมาให้ลูกเวลานอนนอน ไหนขออุ้มไหนสิอุ้มได้ๆแม่ทุกคนจะเห็นและทราบ วันนี้อาจารย์จะพาลูกๆทุกคนไปพิสูจน์ความรักๆทุกคนเตรียมดูหัวใจแม่พระ ละแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรพระหมายถึงผู้ประเสริฐผู้เยี่ยมเป็นผู้มีคุณความดีอยู่ในตัวและประกรกคุณความ ดูว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันไหมแม่ทำความใช่รักลูกเปี่ยมล้นแม่มีความปรารถนาแม่คือผู้มีคุณความ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 แม่คือพระครูคนแรกของลูกเรามาดูซิว่าจริงหรือไม่จริงพระพรหมของลูกพระพรหมพระเจ้าผู้สร้างโลกแม่คือพระพรหมของลูกหมายถึงแม่คือผู้สร้างลูก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 เราดูดเลือดจากกายแม่เพื่อให้เราตายตายเพราะฉะนั้นแต่ยังไม่ได้ลืม พรหมวิหารธรรมเป็นหัวใจของพระพรหมหัวใจมี 4 ห้องคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความรักคือความสงสารเห็นคือ การวางเฉยเมื่อไม่อาจให้ความ 4 ห้องนี้ด้วย 4 ข้อนี้อยู่ในหัวเมตตารัก และปรารถนาดีต่อลูกเสมอตอนที่เราปฏิสนธิในท้องๆแม่เป็นยังไงเวียนหัวกลืนไส้อาเจียนเบื่อ 3 4 เดือนเห็นไหมว่าพอเร 6 เดือนลูก ท้องแม่ตึงไปตึงมาแม่เจ็บแสน 7 แต่ มาผูกไว้ที่หน้าท้องแล้วเดิน 2 วันแต่แม่ต้อง 9 เดือนจะลุกทั้งหนักนั่งทั้งจุกเสียด แต่แม่ก็ทนลําบากด้วยความยินดีเพราะแม่ต้องหยุดหมดเพราะกลัวลูกจะกระทบกระเทือนเป็นอันตราย ฝืนกินสิ่งที่แม่ไม่ชอบแต่เป็นผลดีคือวันที่แม่เจ็บปวดทุกข์ทรมานที่สุดในชีวิตวันเกิดลูกคล้ายวันตาย พกรอดออกมาแล้วแม่ยิ่งรักธนูถนอมยุงไม่ให้ไตไร้ไม่ให้ตอมจะดึกจะ แม่อุ้มพาดบ่าเดินกรอมเป็นชั่วโมงเอาขมิ้นมาทาเอายามากวาดเอานมใส่ปากกลัวลูกปวดท้องกลัวลูกเจ็บคอกลัวลูกจะหิวหัวใจห้องที่ 2 กรุณาความสงสารเห็นอกเห็นใจยามหิวแม่เอาข้าวมาป้อนยามร้องไห้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 เวลาลูกเจ็บประสบอุบัติเหตุแม่อยากรับความเจ็บปวดของลูกมาไว้ที่แม่ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้แม่อยากเจ็บแทนลูกลูกร้องไห้แม่อุ้มลูกแล้วร้องแม่อยากรับ จะดีเร็วแค่ไหนลูกคือดวงใจของแม่เสมอเร็ว โปรดวันประหารชีวิตชีวิตคนหนึ่งวันประหารชีวิตขอให้มาฟังพระเทศน์ 500 บาทติด 200 บาท เจ้าหน้าที่นําขาดอาหารมาให้เป็นอาหารที่ดีที่สุดให้กินมื้อสุดท้ายนักโทษกินได้ 2 เพราะแต่แม่ยังเหมือนเดิมมีสามีใหม่ไปนานแล้วแต่แม่ ก็สํานึกขึ้น 300 บาทและนาฬิกาแล้วก็เดินเข้าสู่หลักประหารพอประหารเสร็จก็เอามาใส่ลงฝากเจ้าหน้าที่ให้แม่ เป็นใครหรือเป็นคุณแม่คนอื่นไม่มีใครกล้าไป อันเชนกชนณีนี้ๆมีเรื่องนึงที่ประทับใจอาจารย์ ได้สู่ถึงปัตตนีคราวหนึ่งไปสอนที่โคราชค่ายสุรนารีพร้อม 10 โทคน ผมเติมน้ำมันมาให้เต็มถังเรียบร้อยเชิญประมาณ 30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 ลูกยังอยู่ในท้องเพิ่งมาคลอดตอนเดินกินหญ้าอยู่ข้างถนน ตัวใหญ่กว่ามันนิดเดียวมันจะเหลือหรือแม่วัวยืนขวางเบรกไม่ต้องเข้าไปใกล้ พอรถอาจารย์จอดแม่วัวมันหันมะคอนทำตาโตๆเหมือน อ๋อแม่นี่รักลูกเท่าชีวิตจริงๆนะนี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานแม่วัวมันยังรักลูกเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตแล้วแม่อาจารย์เป็นคนจะ ไม่เห็นตัวอย่างในสะเทือนใจหัวใจห้องที่ 3 มุทิตาชื่นชมยินดี ค่าทัศนะศึกษาทุกอย่างเป็นภาระของพ่อแม่ทั้งนั้นอายุ 60 ปีประเวณี 60 บาท อาจารย์บอกว่าเลิกนวดได้แล้วป้าแก่แล้วป้าบอกว่าก็สงสารบอกว่าเลิกนวดได้แล้วป้าแก่แล้ว ขอเพียงให้ลูกมีการศึกษามีวิชาติดตัวก็พอแล้วขอเพียงให้ ลูกใส่ชุดคลุยปริญญาแม่กับลูกก็ยิ้มหน้าบานๆแม่ยิ้มหน้าบานมากกว่าลูกเสียอีก หัวเพื่อนดูถูกกลัวแฟนดูถูกไม่ยอมให้แม่ 4 อุเบกขาทําตัวเป็นกลางวางเฉย ได้ปริญญาแล้วเค้าได้เงินเดือนเป็นหมื่นสบายแล้วแยกครอบครัวไปแล้วเรื่องงานและเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกพ่อแม่ก็ไปยุ่ง ทัญชีที่ได้ข่าวว่าลูกติดหวังชอคช้ำ 7 ปวดพอแม่ยิ่ง 7 ปวดกว่าลูกหลายแล้วร้อยเท่า ขนาดลูกได้เงินเป็นหมื่อนHAM에서는 แหละ เจ็บมั้ยปวดมั้ยลําบากมั้ยหลานเป็นยังไงห่วงไปหมดทุกเรื่อง ให้พ้นจากความทุกข์ความลําบากพ้นวงเขลวแห่งความหายนะพ้น แห่งชื่อแพ้เงินทองแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทให้ อยากให้ลูกประสบความสําเร็จได้ดึกได้ดีมีหน้ามีตาทัดเทียม แม่ตอนเราเกิดแม่สอนอะไรเราเอานมใส่ปากแล้วเอานิ้วค่อยๆแรกเกิดตอนดูดนมเอานั่งนอนยืนเดินพูดใส่ดีไม่ดีถูกไม่ถูกเอานิ้วความคิดความอ่าน แม่สอนอาชีพคนสอนทั้งนั้นสอนอาชีพสอนให้เราช่วยเหลือตัวเองได้เอาตัวรอดจากภัย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 จบหลักสูตรในเมืองไทยแล้วพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดินยิ่งใหญ่จริงๆ